Book 2สิบเก้าในห้องครัวนคูิมคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะอูชเียนวยคูิมวันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารถ้าตู้เยในอิเล็กทริชในที่น่าจะีเดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะเมเนปาิบูลูดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะเมเนปสบูลบูม ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะเมีนปามิตซาลาตุแก้วน้ำอยู่ที่ไหนเียสคลันกิมจานชามอยู่ที่ไหนเียพูสุดช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนเียสตโลวยาปริบ وري คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ Używaj c z e คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ Używaj คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Używaj s t คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ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 นี่คือมีดซ่อมและชอล้อน。นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก。